ส่วนมนากมีแต่คนทุกข์ทุกทางร่างกายทุกทางจิตใจสำหรับคนไข้ก็ทุกทั้ ง, างา ท, ทงงบบาทท ง, ทงร่างกายและจิตใจทุกเกี่ยวข้องกับทุกทางจิตใจคนไปเยี่ยมคนไข้ก็เป็นส่วนมากเขาเป็นคนทุกทางด้านจิตใจเดินเข้าไปมากน้อยห้องไหนห้องไหนมีแต่ห้องคนทุกห้องคนจนตรอกจนมืน อุปเยี่ยมหรือรเคเนจงกอกเป็นมุงตนเองก็เลยกลายเป็นคนจงกอกอับเฉาทางด้านจิตใจไปด้วยนะนอกจากนั้นกันยังห้องหนึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่เียบศพคนเป็นสถานที่ตายของคนด้วยไม่ใช่แต่เป็นสถานที่รักหาที่หายโรคจากโรคแล้วออกมาโดยถ่ายเดียวทนมาไหวมันจุดกําลังของหมอคุมยาแล้วมันก็ต้องตายอยู่ในห้องนั้นๆนัน แต่และห้องละห้องมันจะเป็นห้องของคนตายหรือเป็นปัาช้าทั้งนั้นเราก็ไม่ได้คิดกันถ้าคิดไปชอกแทกอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้มีสติปัญญาเกิด ค, ความรู้สึกตัวขึ้นมาโดยลาดับแม่ที่สุดเข้าไปในเตาไฟครัวไฟแล้วเท่านั้นเราก็พอโปรง่งในจังทุกขังหน้าตาได้แล้วซึ่งเป็นป่าช้าของตัดเต็มไปหมดเมื่อทราบว่าเขากำมาตังมลงเมื่อไหร่ แต่เราถือว่าเป็นอาหารจึงไม่เคยสะดุดใจว่าสถานที่นั่นคือป่าช้าการต้มการแกงอะไรเป็นเนื้ออะไรก็ตามคือว่าสัตว์แล้วมันก็เป็นเรื่องป่าช้าทั้งนั้นเราถือเป็นอาหารก็ไม่ค่อยได้คิดแล้วไม่ได้คิดว่าสถานที่นั้นเป็นป่าช้ามัน มีที่แง่ความรู้สึกเท่านั้นถ้าความรู้สึกคิดไปแง่ใดผลมันก็ตามตามกันไปถ้าเกิดความขยาขยงเกิดความน่ากลัวเกิดความกล้าความหานเกิดความดีใจเสียใจขึ้นมาจากแย่งความรู้สึกของตนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีความประมา นั่งวันนี้ที่ไปแจกสินของเขาพอเห็นคณะเราไปเท่านั้น ล, ล่งไหลกันออกมาตาจดจ้องมองเป็นลักษณะแห่งความหิวความกระหายกับความเจ้สมหวังไปพร้อมๆกันแล้วเวลาแจกสินของก็อโอ้น้าตื้อหน่าสูงส้งเือกหน้า ส, งส า, าสงสารนะ้าสงสารมากทีเดียว ไม่ทราบออกมาจากทิศไหนแดนใดทุกทิศทุกทางเต็มไปหมดสนามกว้างๆจนจหาที่เดินไม่ได้นี่ก็คือพวกที่ได้รับความทุกข์ความลําบากเมื่อมีผู้ใดจะไปะให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ก็มีความหวังขึ้นมาภายในใจิตใจทนอยู่ไม่ได้จะต้องออกมาไม่ว่าเด็กหรืว่าผู้ใหญ่้เาผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมด ในสถานที่นั้นเหมืนได้ไปแล้วก็เป็นเครื่องบรรเทาเหมือนได้ไปก็เกิดความดีอกดีใจเพรสมหวังเป็นเครื่องบรรเทาทุกซึิมคืนนี้จะความหนาวแม้จะหนาวอยู่ตามปกติแต่ความออุ่นคนรู้สึกจะดีขึ้นกว่าทุกๆวันที่ไม่มีผ้าห่มเนี่ยอาหารการกินก็เหมือนกันเช็นกำลังขาดแคลนอยู่แล้วหรือกาลังหมด วันนี้อาหารก็เข้าไปถึงพอดีก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไว้ในระดับความสุขความเบาใจเย็นใจความปรีติยินดีย่อมเกิดขึ้นเพราะการแจกของมาแค่น้อยแจมกมากมายกายกองคนที่มานั่งก่อรู้สึกว่สมดังฤทธิ์กันทุกครอบครัวใครเล่าจะไม่ดีใจนี่การทําบุญคือการให้ทานเห็นผลประจักษ์อย่างนี้ หลุดออกจากมือของเราด้วยการเสียสละโดยเจตนาบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไปอยู่ในมืออีกคนหนึ่งคออยู่ในออกจากมือของคนผู้ให้ก็ไปอยู่ในมือของคนผู้รับนะผู้ให้ ก, ใก็มีความดีอกดีใจผู้รับก็มีความดีอกดีใจดังลายจนถึงกำน้ำตารล่วงนักที่มองเห็นแล้ว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 กินด้วยการเช่นมุดง่ามเป็นต้นต่างตัวต่างขนมุดง่ามมุดลิ้นอะไรเขาขนไปไว้มนรูแล้วเขาก็กินด้วยกันมนุษย์ราวก็อยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมเกี่ยวเนื่องกันมากน้อยอย่างไรก็มีความเสียสละต่อกันนับตั้งแต่พ่อแม่กับลูกลงไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงส่วนรวมหรือส่วนใหญ่เป็นไปได้วยทานทั้งนั้นชีวิตกิต ใ, ใ, ใจความเป็นอยู่เกี่ยวเนื่องถึงความพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกัน เรียกั่ความยัศละต่อกันพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ครั้งบำเพ็ญพระวรมีเพื่อโพธิสมทานก็ทรงบำเพ็ญทานมาโดยลำหนักจนกระชอนอิธีสัจวิธีปุลของพระองค์นี้เวลามาแต่สรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปที่ไหนก็มีตั้งแต่คนสักการะบูชาทำมาให้ทานแม้ถือบุควดาก็าเช่นเดียวกัน ไปที่ไหนมีแต่ของทิพย์ที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องขอไม่ต้องร้องไม่ต้องขอร้องตรงนี้ไม่ต้องร้องขอจากใครใครก็มีความเชื่อความเมตไฉอยากจะให้ทั้งนั้นมาถวายพระ อ, องค์จนกระทั่งมีพระสงฆ์ได้สนทนากันในธรรมสภาที่นี่ที่ชุมนุมกันว่า ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปในสถานที่ใดมีแต่คนเคารพนับถือมีแต่คนทําบุญให้ทานเกือนไปหมดด้วยวัตถุทยายทานเพราะอํานาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์พระองค์ทรงทราบผลรับสั่งคัดค้าน ท, าทันทีไม่ใช่เป็นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเราแต่เป็นเพราะอํานาจแห่งทานของเราที่จะทํามาโดยลำํำดัำบๆตามหาก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 ดูมากมายสําหรับโลกที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นคณะนอกจากนั้ น, นันเป็นอุปนิสัยติดตามผู้มีนิสัยเช่นนั้นอีกด้วยคนที่เคยชอบให้ฐานไปไหนมีแต่กระอยากให้ทานเรื่อยๆเป็นนิสัยฝังอยู่ภายนจิตใจยิ่งมีคนแนะนําสอนรอบรมให้รู้เรื่องรู้ราแล้วก็ยิ่งเพิ่มนิสัยนั้นให้มากมู่นขึ้นไปเลยกลายเป็นนักเสียสละ นอกจากนั้นแล้วไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามผู้นั้นและนอุดากขาดแทนเพราะอำนาจแห่งทานที่ทุนได้ทำไว้แล้วตั้งแต่ภุพเพชาติเป็นเครื่องสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นพระศิโยรีเป็นต้นท่านไปในสถานที่ใดมีแต่คนหวายวัดเทือกปัจจัยเทือทานเต็มไปหมดตามถนนขนทางตามบ้านตามเมืองท่านไปที่ไหนเต็มรองพระพุทธเจ้าลงมาสาวกองที่หนึ่ง ในเรื่องอติยการมมากก็คือพระโมคคันแล้วก็คือพระศีวะลีเมืม่ออดิตการของท่านก็ท่านเป็นนักเสียสลายไปที่ไหนมีตา ก, การให้ทานทั้งนั้นทานอย่างไม่อาจไม่อัน้นทานด้วยตามนิสัยจริงๆจะอดจะอยากจะขาดจะแคลนนี่จ ะ, จะบ้างมีที่สุขขนาดไหนก็ไม่เคยลดละในการให้ทานขอแต่มีพอดะให้ทานเป็นให้ทาน เป็นนิสัยมาเีละง่ยเพราะฉะนั้นเวลาวาระสุดท้ายที่ท่านมาบรรลุธรรมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเป็นผู้เลิศในเรื่องอัิเดชลาวไม่มีองค์ใดองค์ใดสมมุเหมือนยกพระพุทธเจ้าเสียเท่านั้นจะเป็นมรปคนิสัยของท่านบรรดาพ ร, พระสาวกที่เป็นพระหารด้วยกันจึงมีเอตตะคะคือความเลิศต่างกันไม่วควายจะซ้ำกันเนื่องจากเะดิย์นิสัยที่มีความหนักแน่น ในแง่ต่างๆเห็นความดีทั้งหลายนั้นต่างกันบางองค์สาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีคนเคารพนับถือไม่มีอิทธิเลกันลาบ ก, ก็เยอะแต่ท่านดีในทางอื่นซึ่งเป็นความดีเช่นเดียวกันมันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ท่านหนึถึงความทุกข์แต่สิ่งที่ได้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แม้ถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วสิ่งที่ได้ก็คือ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 ถ้ามารวมกันจำ น, นวนมากเข้าก็ยิ่งเป็นความสุดสังเวียนมากขึ้นกระทั่งกลายเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองแห่งกองทุกข์ไปด้วยกันเสียจริงแล้วของโลกนี้ไม่มีใครต้องการจะมาอยู่จะมาอยู่ทําไมไมีเพียงแต่กองทุกข์อย่ น, นี้เราประมวลเข้ามาหาตัวของเรากองทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาเราต้องการอะไรเพื่อขันอันนี้ อันนี้มันมีแต่กองทุกทําำงานพระภูมิจะทําให้ตัวให้พ้นไปเยอะจากกองทุกข์ไม่มีความยืดเยืยอในอันใดเลยเราเห็นความทุกข์เป็นภายตอ้นอย่างยิ่แล้วภูนั้นก็เล่นความภาคเพื่อนอย่างละไรอก็หนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงความภาคเพื่อนวามมากความรูสาพยายานความอดความทนก็มากไปต่างกันเพราะความอยากพ้น สติปัญญาก็พยายามหาอุบายคิดค้นที่จะให้ผ่านพ้นไปได้โดยลาดับลาดับถ้าเป็นความนอนใจแนละ้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเขามีความถุกขา้างเล็กน้อยก่อนนอนใจไปเสียเช่นเดียวกคนไม่มีความฉลาดหาเงนินมาได้บาทสองบาทก่อะแต่พยายามเก็บหอมรอมมิดก็ไม่ซื้ออะไรเพลินไป จําเป็นไม่จําเป็นก็ไม่สนใจขอแตนให้ได้ซื้อจังกายเป็นนิสัยอย่างการซื้อการจับจ่ายโดยไม่คํานึงถึงเหตุถึงผลถึงความจําเป็นเวลาเจอกรอบเจอมุมมาก็หาทางไปไม่หน้เหมือนกันอีกคนคิดเห็นเฉพาะสดสดร้อนรอนไม่คิดคาดการไกลรือไม่ได้ใช้ปัญญาแตู่้ทธิชาติปัญญาก็ ส่วนที่จ่ายก็จ่ายไปด้วยความจําเป็นจ่ายทรับสินใดก็เห็นกวามมันเป็นในจริงนั้นนเป็นผลเป็นประโยชน์จากความจ่ายของตนจริงๆถ้าสิ่งที่เกี็บไว้เพื่อความจําเป็นในการต่อไปก็เก็บไว้ันนี้คือเป็นผู้มีปัญญาเรื่องทรัพย์ภายนอกที่เรื่องการพยายามสั่งสมภายในก็เป็นอีกเช่นเดียวกันเราอยู่ในโลกนี้เราพอเป็นพอไปใน่าตุในขันในอุญญาตขาดแคลนบ้านเดือนที่อยู่ที่อาศัยปัจจัย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 ทูนี้คือว่าเป็นผู้ถากถางทุทางทั้งปัจจุบันแลอ น, นาคตให้ตนไม่สร้างขวามสร้างนามไม่ปากเสียดตนเองทูนี้ก็มีความรื่นเริงกิทานันทติอยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริงบันเทิงเป็นนานทติและโลกนี้ไปแล้วก็มีความรื่นเริงและรื่นเริงในโลกทั้งสองโลกนี้และโลกหนาเป็นสิ่งที่ผู้นั้น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 การสอนอย่างแน่นอนถูกต้องกับเหตุกับผลถูกต้องตามจิดความปริงหรือหลักความปริงเราถ้าจะพูดจันหนึ่งก็เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดทไในเชื่อคนหูดีตาดีคนฉลาดเราก็จะไปเชื่อใครความโงม่มก็กองอยู่ในตัวของเรานี่เต็มไปหมดในหัวใจความมืดบอดก็เต็มอยู่ภายในหัวใจทิศทางจะไปไม่ทราบจะไปทางไหน อยู่ไปวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปแต่ความโง่มันไม่ล่วงไปถ้าไม่แก้มันฉนันจึงต้องแก้ความโง่เขลาบอปัญญาอันเป็นความมืดบ่อ น, นี้ออกให้จิตใจนรามความสว่างสวัยเชื่อพระพุทธเจ้าองค์นี้ทั้งตาในตานอกมีทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งภายนอกภายในตามหลักธรรมที่ว่าพุทธทางสรางนังกระฉามให้ถึงใจฝากเป็นปากตายกับท่าน ธรรมังสนังคาฉามิเป็นธรรมันประเสริฐเดินโลกจะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการผู้ะพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นทางที่จะก้าเข้าสู่ธรรมอันเกษมเนี่ยสังฆังสนังคาฉามิ้ท่านเดินหน้าเราเราเดินตามหลังท่านไปเดินแบบท่านอันนี้เป็นผู้ที่พ้นทุกไปแล้วตามเด็จระพุทุกเจ้าท่านเราก็ตาม รอยของท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติดีอยู่ที่ไหนให้มีธรรมภายในใจคนที่มีธรรมภายในใจที่เด็กก็กลัวไม่ใช่ที่เด็ก จ, จะไม่กลัวกี่เด็กมันมีทั้งกล้าทั้งกลัวอยู่กับตัวของมันเช่นมีอยู่ในใจของเราเราก็ต้องมีความกล้าความกลัวเป็นธรรมดาทำอันหมดที่เด็กแล้วเป็นแล้วความกล้าก็มีความกลัวก็มีมีแต่ความเส ม, มอภาค มีแต่ความสม่ำเสมอความคงเส้นคงวาคงที่มิงาม อ, อยู่นั้นตลอดไปมีไม่ใช่กิเลสเป็นอย่างนั้นพยายามอีกหนึ่งขวนขวายลมหายใจหมดไปทุกวินาทีถึงหายใจเข้าหายใจออกอีกเหมือนไม่หมดก็ตามแต่มันหมดไปนในหลักธรรมชาติของมันกีเลสจะน้อยโดยลำดับแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้แลวเมื่อ หมดไปหมดไป ม, มันก็ถึงที่สิ้นสุดหมดอเอาเสียจริงๆเป็นไม่มีอะไรเหลือนะเมื่อไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วถ้าจะเรียกว่าอะไรก็ เ, เรียกว่าคนตายให้มันตายตั้งแต่ร่างกายจิตใจยอย่างนันตายจากคุณงามความดีมนจะเกาะคุณงามความดีนี้ไปสาระสัมพันธ์ก็คือใจเป็นมหาสมบัติพยายามบํารุง พยายามรื้อฟืน้นขึ้นมาให้เด่นดวงภายในจิตเนี่ยท่าทนมาสมบัติอันประเสริฐใจสมบัติเหล่านั้นก็เป็นภายนอกพอได้อาศัยเป็นธรรมด า, าไม่ได้พระมหาเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยสมบัติภายนอกนั่นแนหะเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมร่า ง, างกายของเราให้เจริญเติบโตขึ้นมาแต่เวลาสุดท้ายก็ต้องอาศัยความความดีที่จะเป็นสาระสําคัญภายในจิตใจ จะไปต่างหลกต่างฐานในภพชาติต่อไปหากวิเลศ ย, ยังไม่สิน้นเมื่อวิเลศได้สิ้นไปแล้วเพราะความภาพยนอันถึงเหตุถึงผลถึงที่ถึงแดนอันนั้นก็หมดปัญหาไปกลายเป็นมหาสมบัติลังพระพุทธเจ้าท่านตัดสู้ก็คือจัดสู้ถึงมหาสมบัติสาวกบรรลุ ก, กับบรรลุธรรมที่เป็นมหาสมบัติไม่ต้องมาวกมาเรียน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกงหันเกิดแล้วตายแกแล้วเกิดจนตัวเองก่อนักไม่จบไม่สิ้นไม่สราไว่าจะนับได้ยังไงเหมือนตามรอยวัวในคอกนั่นแหละรอยวัวใคนคอมนกมันเป็นยังไงมันวกมันเยินมันสับมันสนบุ้นไปหมดเืินไปที่ไหนมองไปงไหนก็มีแต่รอยวัวมันเต็มนในคอกพอมันเหยียบย่ำไปมาจนแหลกไปหมด เ, เยหยี่ยสับรอยไหนรอยออกรอยไหนรอยเข่าพอมันอยู่ในคอกนี่แหละความเกิด ความตายมันทำซ้ำซากๆกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งตัวเองก็ไม่ทราบนี่แล้วคำว่าความเกิดความตายมันก็เป็นเรื่องของทุกข์มาพร้อมๆกันเมื่อตัดสญญาเหตุของความเกิดความตายได้แล้วคํามทำซ้ำความทำซ้ำซากๆ ม, าามนันก็ไม่มีนี่เป็นเรื่องสุดท้ายแห่งทุกข์อยงหากว่าเราไม่เชื่อเลย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 หรือเป็นเครื่องมืออันสาคัญที่จะบุเบิกทางให้ถึงแดนแห่งความเกษมความอ่อนแอ ม, มีแต่เรื่องตัดรอนตัวเองลงโดยลำดับผลประโยชน์ที่หยุดพึจะได้ไม่มีท่านจึงสอนใหน้ละเพราะความอ่อนแอความขี้เกียจความมา่ง่ายมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าเรื่งของธรรมแล้วก็ต้องตรงกันข้ามทีเดียว ทำเพื่อเจ้าให้หมดไา้บันไดก็ดีนี้ตัดสอนให้มีความพินิจพิจารณาสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ขอแต่เหตุผลไปจุดนั้นไปสายนั้นเดินตามสายนั้นจะยากลาบากแค่ไหนก็ตามพยายามทําไปดูแล้วนักนั่นแหะทางของปราชญ์ท่านมีความสมบุกสมบันอย่างนั้นท่านเห็นว่าร้อนนักหนาวนัก ขี้เกียจสายนะักเชานะ้านักดึกนะักอะไรท่านไม่ยอมไหวนั่นเป็นลักษณะของคนขี้เกียจเหมือนว่าหาเรื่องนั้ะถ้าจะไปในทางที่ดีจะทําของดีจะทําความดี ม, ดมีแต่เรื่องแต่เราสร้างขึ้นมาให้เป็นขวากเป็นหนามกั้นทางไป็นองนั้หมดหาทําไปไม่ได้สุดท้ายก็นอนจมหนามนี่นั่นแหละเนี่ยการจะนอนจมหนามไม่คิดเนีย แต่วความสบัดิ์ความสะดวกสบายในปัจจุบันแต่เรื่องความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความสะดวกนี้ไม่ได้คำหนึง่งนักปราชท่านใช้สติปัญญาพิจารณาคาดหน้าขคาดหลังให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วท่าน บ, บุกเลยตายก็ตายคนทั้งโลกตายด้วยกันเนสัตว์ทั้งโลกตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครจะยังเหลืออยู่แม้รายเดียวตายก็าขอให้ตายดี จะทำความเพียรก็ทำได้เวลามีชีวิตอย่างนี้ตายแล้วมันทำไม่ได้นะจะ แ, แก้ตัวก็แก้ในเวลามีชีวิตนี้อยูน่นี้ตายแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยเหตุผลมก็บอกอย่างนี้พยายามแก้นะแต่มันจนหมดแก้ทนหมดแล้วก็มีมโทษกับพ้นจากโทษเหมือนนักโทษพ้นจากเรือนจาพ้นจากความเป็นนักโทษก็ก้าวไปสู่ความเป็นอิสระ จิตใจที่พ้นจากโทษจากกรรมทั้งหลายภายในจิตใจแล้วก็กลายเป็นใจที่เป็นอิสระความเป็นอิสระถ้งเราอยู่เป็นอิสระนี่เราก็ลังสบายแม้มีการมากดขี่บงังคาบเราจิต ใ, ใจที่มีอิสระก็ยิ่งพากผ่ ส, สบายยิ่งกว่านี้ร้อยเท่าพันถุยปันหาที่เทียบที่เปรียบไม่ได้ใครจะต้องการเป็นห่อยใครจะต้องการเป็นธาของใครแต่เวลาเป็นธาของิเดส เราไม่ค่อยจะคำหนึง่งจึงต้องติดอยู่ในห่วงกิเลสกิเลสจึงต้องบังคับบาญชาให้รับความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นถึงเห็นกิเลสกันเป็นค่าสุกแล้วต่อสู้เพื่เพื่อจะเป็นอิสระตัวเองพอต่อสู้มาหยุดไม่ถอนกิเลสมันจะมีมากน้อยเพียงไรมันก็นนสลายตัวไปได้เพราะาอำนาจแห่งการต่อสู้การต้านทา น, ทานการทําลายจึงก็กลายเป็นอิสระขึ้นมา ใจเป็นอิสระแล้วมันอยู่หมันจะสมาทันั้นอะไรจะสมายิ่งกความเป็นอิสระของใจศาสนาธรรมต้องสอนถึงจุดนี้ตั้งแต่ต้นๆโน้มาโดยลำหนักล้หนทว่ากว้างกว้างทำทว่าแคบก็ลงที่จุดแห่งใจนี้จุดเดียวผู้นี้เรเป็นผู้ที่จะรับทั้งดีทั้งชั่วทั้งการทำดีทำชั่วคนดีผลชั่วสุกทุกรวมอยู่ในใจนี้ทั้งหมด คำว่ามโนปังขมาธรรมาทำเป็นใหญ่ทำเป็นประธานทำเป็นย้าคันอยู่ที่ใจทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นใดนี่แก้ลงที่ตรงนี้จิตใจมีความสว่างสวัยร่างกายเต็มไปด้วยกองทุกข์แต่ใจก็เต็มไปด้วยความสุขนี่ผิด ก, กันร่างกายมืดตื่นตามท่าหยาบพงมันแต่ใจสว่างกระจ่างแจ้มตามท่าแห่งธรรม นี่จิตกายเป็นธรรมธาตุภายในใจนี่อย่าวัธรรมธาตุคือจิตที่สว่างสไบภายในตัวแกคือถอดถอนมังทีนิพพะล้างมังคีนมัมบุตรสว่างเต็มที่ครอบโลกธาตุมีจิตดวงนี้เท่านั้นที่เหนื่ยมหกมากที่สุดครอบไปหมดโลกธาตุคํานึงว่าใกล้ไกลเป็นไปนี่ใกล้เป็นไปพอดีตลอดเวลา ด้วยความอ่อนความนิ่งนวลของจิตที่พ้นจากเปลี่ยแล้วนิ่มจนหาที่พูดไม่ได้อ่อนจนหาที่พูดไม่ได้ครอบนวโลกธกาตุสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ทั้งทางวันกลางคืนทันเยกว่าอะโลกโกอุดปลายความสว่างกระจ่างแจ้งได้เกิดขึ้นแล้วภายในจิตเนี่หมดทั้งล่างของเราหมดทั้งโลกมารวมอยู่ที่ใจดงเดียวนี้เท่านั้น ไม่อยู่ที่อื่นใดสาระสําคัญอยู่ที่นี่พยายามปลดเรื่องพยายามแก้ไขจุดนี้ให้ได้ตามกําลังความสามารถของเราจนกระทั่งสุดความสามารถผู้นั้นจะได้ครองสมบัติอันเป็นที่พึงพอใจถ้าอยู่ภายในจิตและครองมหาสมบัติ สิ่งที่พึงพอใจอย่างยิ่งด้วยความรู้สึกแห่งใจขอให้นำปัจจุบันพิจารณาการแสดงทํารมเป้ามายสมควรเจีเวลาอริยติเพีงเท่นี้